เราเข้าใจมันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้สมัยก่อนพ่อครูรู้ไม่ว่าสู่บรีไม่ดีรู้นะคุณหมอหลายท่านหลายปีที่ผ่านมาเข้าไปในศูนย์เราเยอะมากเพราะโรคภัยไข้เจ็บหลายหลายชนิดแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์การแพทย์รักษาไม่ได้ไม่รู้ที่มาของมันต้องให้จิตรักษานะคุณหมอท่านหนึ่งนั่งปฏิบัติป๊บ ได้เวลาหยุดปุ๊บวิ่งเข้าไปในป่าไปสูบบุหรี่พ่อถูกพ่อครูถามว่าคุณหมอรู้หรือเปล่าว่าสูบบุหรี่มันไม่ดีบักรู้ครับคุณหมอสอนคนไข้สูบบุหรี่ไหมไม่สอนครับแล้วคุณหมอสูบทําไมคุณหมอนี่เป็นวิชาที่เรียนรู้เรื่องสุขภาวะรู้ดีมากที่สุดเลยแล้วคุณหมอทําไมทําร้ายตัวเองนี่ความรู้ทุกวันนี้เป็นแบบนี้ไงแม้กระทั่งความรู้เรื่องศาสนาก็เป็นแบบนี้ไง รู้เพราะว่าเขาว่าเขาว่าหนังสือเขาว่าเขาว่าเขาว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากที่เราแตกฉานด้วยตัวเราเองพระพุทธองค์ถึงเตือนว่าอย่าเพิ่งเชื่อตำลาแต่ตอนนี้เราบังคับเจ้ากลมาอ่านตำรามาท่องจานะมาอ่านต้องนับถือตำราแล้วส่วนมากก็อ้างพูทิเจ้าอ้างพูทธเจ้าแต่ไม่ทําตามพูทธเจ้า ไม่ใช่ว่าเราเกิดมามาท่องจำสิ่งที่ผู้เจ้าพูดเราเกิดมาทำในสิ่งที่ผู้เจ้าทำมันไม่ใช่ทางพ้นทุกทุกวันนี้เน่ยที่พวกกูสรุปว่าพวกกูเคยบอกว่าธรรมะไม่มีธรรมะไอ้ที่ไม่มีธรรมะนั่นล่ะคือตัวธรรมะแต่ปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะแล้วเราจะมีธรรมะได้อย่างไร งงไหมครับปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะเพราะมันมีตัวตนมีรูปแบบที่ชัดเจนมีถูกมีผิดมีดีมีชั่วมันจึงไม่ใช่ธรรมะธรรมะไม่มีภาษาไม่มีรัฐที่ศาสนาด้วยศาสนาทุกศาสนาเกิดขึ้นในโลกนี้เพียงแค่ไม่กี่พันปีสองสามพันปีนี้เองแล้วก่อนหน้านี้ในสายพุทธเราก็บันทึกไว้นะพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะ่ะจะเป็นพัีปังกร พระกัสส ป, ปะน่ยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่เราเคารพกราบไหว้พระองค์เนี่ยในพระไตรปิฎกก็บันทึกว่าเป็นองค์ที่28แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยทำไมท่านเหล่านั้นไม่มีพระไตรปิฎกอ่านท่านบรรลุธรรมได้อย่างไรและองค์ปัจจุบันเองเจ้าชายศิรัตน์เนี่ยก็ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเลยท่านถึงบรรลุธรรมไง ทุวันนี้ไปท่องจำท่องจำท่องจำจนจบสูงสุดแล้วเนี่ยคนหนึ่งแปลนิพานว่าอัตตาคนหนึ่งแปลนิพานว่าอานนาตาไงมันจึงทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ไงคนนึงบอกเลี้ยวซ้ายคนนึงบอกเลี้ยวขวาไงมีแต่อ้างพู้เจ้าจะไม่เคยทําตามพระองค์เลยเพระองค์เนี่ยไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเลยคุณไปอ่านทําไมแต่ไม่ใช่ลบหลู่นะที่ศูนย์เราก็มีพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกนี่ไม่ใช่ธรรมะ พระไตรปิฎกนี่เป็นหนังสือชุดหนึ่งเจี่ยที่บันทึกพุทธประวัติพูดถึงเรื่องธรรมะเท่านั้นเองแต่ตัวพระไตรปิฎกไม่ใช่ตัวธรรมะนี่แหละธรรมะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไงรู้ทั้งรู้ไงมันไม่ใช่สักอย่างหนึ่งไงแต่ปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะเพราะมันมีรูปแบบชัดเจนมีตัวมีตนมีหลักสูตรตายตัวมันจึงไม่ใช่ธรรมะเด็กฝาแฝดพรากูเคยถามคุณหมอนักวิทยาศาสตร์ เด็กฝาแฟเกิดมาพร้อมๆกันเนี่ยดีเอนเอเหมือนกันเลยทำไมคนหนึ่งขี้แยคนหนึ่งไม่ขี้แยคนหนึ่งไอคิวสูงไอคิวต่านักวิทยาศาสตร์ตอบพ่อครูหน่อยสิเอา้าพ่อแม่เดียวกันไงพันธุ ก, กรรมเหมือนกันใช่ไหมเกิดมาสิว่าร้อมเดียวกันดีเอนเเหมือนกันเลยทำไมคนหนึ่ง ส, สมบูรณ์คนหนึ่งไม่สมบูรณ์ เพราะนักวิทยาศาสตร์ปฏิเสธนา ม, มาทำเอาแต่รูปธรรมไง เ, เรื่องกายภาพในด n a อนั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่เห็นหรือเปล่าผู้เจ้าตัดสรุมาตั้งนานแล้วแต่เนื่องจากความคิดแบบวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ดีนะไม่ใช่ดีเพราะกูไม่เลยต่อต้านใช้คำว่าเสียดายทำไมไม่ใช้ความเก่งตัวนี้เนี่ยตอนนี้เริ่มมานะเขาก็เริ่มเอาควอนตัมเข้ามาแล้วเนี่ยเริ่มดีแล้วเพราะกูก็สาธุ กำลังไปค้นพบเรื่องความไม่ไม่เที่ยงเนี่ยนัก ว, วิชาต้องเที่ยงแท้แน่นอนนะน้ำต้มเดือดร้อยองศาปุ๊บเนี่ยต้องเดือดทุกครั้งไปอย่างนี้นะคือเอาแบบนั้นไงแต่ว่าเราเราปฏิเสธน้ำ ม, มาทำนะเราปฏิเสธความจริงซึ่งมันมีอยู่กับเราเราถึงแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เพราะกูก็เล่าธรรมะที่ดีที่สุดนะไม่ต้องไปอ้างคนนั้นคนนี้ไม่ต้องไปอ้างตำราพราะูขออนุ ญ, ญาต เอาความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตพ่อคูเนี่ยมาแบ่งปัน27บ็ปีอยู่ในป่านั้นเน่บอกตรงๆเลยนะแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยไม่เคยบังอาจกล้าใช้สมองโง่ๆของเรา67เจ็ดปีมาสอนจิตอย่าบาังอาจนะจิตแต่ละดวงเขามีอายุหลายล้านชาติเขามีปัญญาของเขามากมายนี่ไม่ใช่มาสอนวิชาการเอาภาษามาถกกันว่ามันแปลว่าอะไรไร้าสาระสำหรับพ่อกู บ้านเมืองเราถึงเป็นแบบนี้ไงใช้คำว่าเสียดายเราเกิดมาในแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอยู่ภายใต้ล่มโพล่มไสของพุทธศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันเนี่ยเราบุญเยอะแต่กรรมเราก็เยอะเหมือนกันเกิดมาในยุคทุนนิยมแข่งขันเสรีมันแรงทั้งสองด้านนั่นแหละใช้คาว่าเสียดายเจอของดีๆแล้วทำไมไม่ใช้ทางทำก็กราบไหว้พระองค์เฉยๆบางทีกราบกราบ กาบเพื่อขอนะกาบไหว้ผู้ดีเจ้าเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยเป็นเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของผู้ธเจ้าเพื่อให้เราเลึกถึงพระองค์แต่กราบไหวในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอนอนขอนี่สมมติว่าทําบุญไปร้อยบาทสาธุให้ถูกรางวัลที่หนึ่งอันนี้ไม่ใช่ทําบุญนะอันนี้ค้ากําไรเกินควรถ้าใครกาบไหว้ผู้ดีเจ้าในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อคูถือว่าไม่เข้าใจพระพุทธองค์ พระเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสดาทุกศาสดาพระเจ้าไหนไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่พระองค์ยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทาให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้เมื่อเช้าพระครูเหาะมาจากกรุงเทพชั่วโมงหนึ่งเห็นไหมเหาะได้นะตอนนี้เราหูทิพนะอยู่ฝรั่งเศสคุยกับเราก็ได้นะเราตาทิพด้วยนะเขาเล่นละครที่โตเกียวเราเห็นนะแต่ไม่ช่วยเราพ้นทุกข์ พระองค์ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราเข้าใจคําสอนพระองค์อย่างถูกต้องแล้วทําอย่างถูกต้องเราสามารถแก้ปัญหาเราได้ไม่ใช่ชีวิตเดียวแก้ปัญหาชีวิตในวัฏฏะสงสารอย่างเบ็ดเสร็จเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ทุกคนต้องทําส่วนเรื่องเรียนหนังสือทํามาหากินนั่นมันเป็นองค์ประกอบของชีวิตเป็นหนึ่งในมรรคมีองค์แปเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เราทุ่มเทให้มันเป็นร้อเเลยไปทุกกับมัน เพราะเราไม่เข้าใจชีวิตก็เมื่อกี้พอครูประกอบแล้วเนี่ยชีวิตถ้าตอบง่ายๆตามภาษาง่ายๆคือชีวิตมันยังเป็นมันยังอยู่มันยังไม่ตายถึงใจเนื้อหนังมังสาริพินทว่าไ อ, อ้ถ้าเราเข้าถึงธรรมะที่แ้จริงเราก็ต้องรอกเป็นสิ่งสมมติแต่มันไม่ใช่มันไม่มีมันมีอยู่คำว่าอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีตัวตนนะพราะูไม่เห็นด้วยกับคาพูดนี้ มันมีนั่งอยู่ที่นี่มีหมดอ่ะแต่มันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายเป็นของชั่วข่าวมันไม่ถาวรแต่ที่นี่จิตเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูไงพอเขาแย่งไปพระเอกภาษาอาจารย์พุทธทาสไม่ใช่พอกูพูดนะสังเกตไหมคําว่าตัวกูของกูถ้าอาจารย์พุทธทาสพูดปุ๊บเนี่ยเราไม่มีความรู้สึกเลยไหมแต่ถ้าคนอื่นมาพูดต่อหน้าเราชักฉุนใช่ไหมนี่คือทิฏฐิมานะของเรา เราไปหลงไงจิตเราไปหลงว่านี่ตัวเราของเรานะคาว่าจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมันไม่ได้หนีไปไหนมันหลุดพ้นออกจากการปรุงแต่งที่มันเกาะอยู่ที่ใจเราดูอองมาจากใจนะยี่สิบเจ็ดปีพ่อครูบอกตรงๆเลยพ่อครูไม่ได้ถือศีลแต่มันไม่ทำชั่วแน่นอน มันไม่มีเหตุต้องทำชั่วสมัยก่อนเราทำชั่วเพราะเรามีความอยากแม้กระทั่งความคิดยี่สิบเจ็ดปีมันไม่ต้องใช้ความคิดเลยหลายคนไม่เชื่อที่เราคิดนี่เพราะเรามีอนาคตเราถึงคิดวางแผนเพราะเรามีความอยากมีอนาคตเราถึงคิดวางแผนเมื่อเราไม่มีความอยากแล้วไม่มีอนาคตแล้วทำไมมันต้องคิดแล้วพิสูจน์ยังไง 27ปีนี่ไม่ต้องกินยาแก้ปวดเลยแม้แต่หนึ่งเม็ดในขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นไมเกรนขนาดหนักโรคกระเพาะมันหายเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็27ปีทำไมมันไม่ไปปวดวมันไม่เคยคิดเลยไม่ต้องสร้างมโนกรรมเลยบางคนแย้งว่าไอ้ชั้นคิดดีมีอะไรไม่ดีไอ้คิดดีเนี่ยระวังเนี่ยเลวร้ายกว่าคิดชั่วอีกตอนนี้สอนคิดบวกใช่ไหมหนังสือคิดบวกเนี่ยขายดีที่สุดใช่ม เออคนทั้งนอกเนี่ยเขาสอนคิดบวกเนี่ก็เป็นเรื่องจิตวิยาเพราะครูไม่ได้ไปแย้งแต่ถ้าคนในศาสนาเนี่ยไปส่งเสริมเขาคิดบวกเนี่ยส่งเสริมให้เขาสนองตันหาตัวอยากตัวเนี่ยเพราะครูไม่เห็นด้วยเราพิเศษได้ไหมเราคิดบวกเพราะเราไม่อยากได้หรืออยากชนะคิดก็คือมนโนกรรมคิดดีก็ทุกคิดชั่วก็ทุกมันเป็นมนโนกรรมเพราะครูเห็นจากตัวเองไงมันก็เลยไปเจอสัจธรรมข้อหนึ่งว่า คนคิดเป็นคือคนไม่คิดม่ใช่คนคิดเก่งคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็นคนคิดเป็นทำให้ตัวเองคิดให้มันทุกข์ทำไมคิดจนไม่หลับไม่นอนคิดจนเครียดคนคิดเป็นคือคนไม่คิดมิใช่คนคิดเก่งคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็น คนคิดเป็นถ้าจำเป็นต้องคิดคิดแต่เรื่องเป็นกุศลเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นแต่ถ้าจิตไม่มีปัญญาเราจะแยกไม่ได้อะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลมันก็คิดจากความอยากตัวเองนั่นแหละมันบอกชนะมันถึงจะดีไงถ้าแพ้แล้วเนี่ยก็ล่มจมไงเราบอกเราคิดดีนั่นนั่นพราะคูเรียนรู้ ก, กับเด็กเรามีตั้งแต่นูบานจนถึงมหกทีนัน ไอเด็กที่มีเรียนเก่งๆเน่งๆเก่งเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่อยากให้มีอนาคตเนี่ยมันเรียนเกรดีเกดีนะในทางโลกถือว่าเป็นเด็กดีตีสองก็ไม่ยอมนอนตื่นเช้าไปโรงเรียนเนี่ยมันง่วงนอนก็กินกาแฟผงเนี่ยเทในหนึ่งสองซองลุกสิทธ์คุณหมอบัญชาไปตรวจเนี่ยโยครคภัยไข้เจ็บหางบ้าเลยอันนั้นดีไหมทางโลกมันเรียนเก่งมันดีไง เราไม่เอาชีวิตลูกเราไม่รักลูกเลยแต่เรารักอนาคตลูกจากเด็กดีที่บอกว่ามันเรียนเก่งเนี่มันจะกลายเป็นเด็กเดี่ยงนะอันนี้ผ่านจากตัวพ่อครูเองนะก็นักวิชาการหลายปีรู้จักประวัติพ่อครูก็เขไปสัมภาษณ์เยอะๆ พ่อครูถามตรงๆเถอะคิดอย่างไรมาอยู่ในป่าตรงนั้นพ่อกูบอกไม่ได้คิดถ้าคิดมันไม่กล้ามาอยู่แล้วแถวนั้นนะ่ะตั้งแต่พุกกูเกิดอุบลนั้ไม่เคยเข้าไปนะดงสีชมพูสมัยก่อนเป็นดงคอมมิวนสิสต์แล้วไม่มีถนนเข้าไปตรงนั้นนะพ่อคูนั่งเรือข้ามไปไปนะจับแพะจับพูนะ่ะมีคนชวนไปก็นั่งเรือไปเลยพอเท้าเหยียบพื้นปุ๊บนีจิตบอกไท่แล้ว มันก็ไปใช้ชีวิตที่โน่นยี่สิบเจ็ดปีนะถ้ามันคิดเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้มันคิดปุ๊บมันจะไม่อยู่ตั้งแต่วันแรกไปอยู่ทําไมหยุดหาเงินหยุดแล้วแล้วก็เสพสุกซิไปอยู่ประเทศไหนก็ได้ไงนะหลายปีพ่อคูถูกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่เขารักพ่อคูมากมากเนี่ยเขากลัวว่าพ่อคูขาดสติทุกคนไปเตือนสติพ่อคูว่าเอ็มบ้าหรือเปล่าเอาล่ะ เธอหยุดแล้วก็หยุดซิเธอขี้เกียจทํางานแล้วเธอพาลูกเด็กสองคนเนี่ยมันไม่มีความผิดพามาอยู่ป่าทําไมเหมือนมาเด็กสองคนนี้ถูกลงโทษนะพะ่อครูบอกพ่อครูรักเขาไงพ่อครูสร้างเขาขึ้นมาพ่อครูต้องรับผิดชอบชีวิตเขาเนี่ยถึงพาเขาจากเมืองนอกไปอยู่ป่าไงเขาไม่เข้าใจเขาบอกมันไม่เคลียร์บอกไปเปิดพจนานุกรมนะคําว่าตามไปว่าไม่ทันไง เพราะคูตามไปสี่สิปีมันเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุกวันไม่ทันสักทีหนึ่งแต่คุณรักครูลูกคุณจริงไหมเพราะคูรักไงเพราะครูจะให้มันอยู่ที่นี่เนี่ยเพราะคูสอนให้เขารู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้เท่าทันโลกอย่าไปตามโลกตามไปว่าทาตตามไปว่าไม่ทันตอนนี้เราตามทุนนิยมตอนนี้บ้านเมืองเราเป็นยังไงทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองใช่ไหมบังเอิญเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพราครูเห็นอันนี้ขออนุญาตนะ เห็นคนเขาเขียนข้อความหนึ่งคนอเมริกันนะเข า, them, าเขียนในอันนั้นเขาบอกสังคมอเมริกาเนี่ยตอนนี้อเมริกาต้องถือว่าเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลกในแง่เศรษฐกิจสังคมการเมืองทุกคนยอมรับใช่ไหมแต่ในวงเล็บนะเป็นหนี้มากที่สุดในโลกแล้วเขาบอกว่าคนอเมริกันตอนนี้เนี่ยมีอารมณ์แบบนี้พ่อครูก็เลยจดจดจดมาโจทย์มาทั้งหมดเนี่ยพ่อครูสัมผัสมาหมดแล้ว แต่ตอนนั้นเราไม่ได้แยกแยะแบบนี้คำแรกคือสเตรทความเครียดคำที่สองคือแอนซตี้ความวิตกกังวลกุ้มใจคำที่สามเอเรียนเนชั่นความรู้สึกแปลกแยกอารมณ์นี้กำมากาลังจะมาเชียงใหม่แล้วกรุงเทพมาเต็มไม่หมดแล้วนะบอสอมคือความเบื่อหน่าย n ล l i n e s s ความว้าเวเดียวาด Emptiness ความรู้สึกว่างเปล่าไร้ความหมาย l a c k of direction ความรู้สึกไร้จุดหมายของชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนเขาเสียีมากมีสิทธิเลือกเลยแต่เลือกทางไหนก็เลือกไปไม่ไมรู้จะไปทางไหนนะไซคิคชอเรนเดอรก็คือสภาวะจิตใจที่สยบยอมเหมือนหมดอะไรตายอยาก จนไม่อยากจะคิดแล้วเขาเหนื่อยหน่ายกับชีวิตดิเรม์ ม, มาภาละเหมือนหนีเสือป่าจระเข้กืนไม่เข้าคายไม่ออก Impersonal i m p e r s ม n a l น, ม น, นะมีความรู้สึกไ ม, ไม่เป็นผู้เป็นคนทุนนิยมเขามองเราเป็นแค่ทรัพยากรพวกครูเคยบอกหลายปีแล้วถ้ามนุษย์เป็นแค่ทรัพยากรก็ไม่ต่างอะไรกับปุ๋ยหมัก ขี้ไก่ขี้กลัวก็ทรัพยากรเราไปเรียนจนกลายเป็นน็อตอันนึงนะโอเคเธอมาหมุนตรงนี้นะพอนานๆานไปมันหมดสภาพจับโยนทิ้งพิ่เอาเอาอันใหม่มาใส่เขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่เป็นผู้เป็นคนแล้วเขาสรุปว่าเนื่องจากว่าเขาตั้งโจทย์ให้ชีวิตเซลล์แม็กซิไลเซชั่น ทุกคนทำเพื่อให้ตัวเองยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงมันก็มาตรงกับในทางศาสนาบอกลาบยศสรรเสริญบังเอิญลาบยศสรรเสริญเนี่ยภาษาอังกฤษบอกอ n l ลิมิตเน e วอร์ i ินไม่มีวันสำเร็จคุณบิวเกตตอนนี้ยังไม่สำเร็จใครสำเร็จ success is mean finish finish is mean done nobody done คุณลบิวเกตยังไม่สำเร็จแล้วเราจะไปทางไหน สำเร็จไปว่าเสร็จแล้วแต่พ่อครูขอประกาศดังๆอันนี้ในแานนนน่สองสามปีไม่ออกมาครั้งแรกเชียงใหม่อย่างนั่นแหละแล้วก็มากับหมอบัญชาด้วยไม่บอกว่าแปลกได้ยังไงพ่อครูไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างทำเพื่อตัวเองอีกแล้วยี่สิบเจ็ปีไม่มีวันหนึ่งเขาให้กินมื้อหนึ่งก็เอามากินกินแล้วก็เสร็จจบมาเติมน้ามันก็ทาหน้าที่ การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นแค่ฝึกสมาธิจเจริญสติเห็นไหมครูบาอาจารย์จเจริญสติสายวัดปานพราะครูเสียดายนะโดยเฉพาะหลวงพ่อชาเนี่ยถือว่าเป็นอาจารย์พ่อครูลูกหนึ่งเราเป็นเด็กกุบลแต่ตอนนั้นเราไม่อวกาศปฏิบัติไปฟังธรรมท่านบ้างท่านเคยเตือนว่าเมื่อถือถือศีล น, นั่งสมาธิมันจะไปไหนนะเร็วๆนี้เนี่ยพระคุณเจ้ารูปหนึ่งสามสิบแปดพรรษา เป็นถือว่าเป็นมหาเถระไปไหนไปแต่งงานไงมัวจะอยู่สตินั่นแหละการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เจริญสติพูดดังๆเลยนะเพราะครูใช้คำว่าเสียดายเราเป็นคนไทยเกิดมาเจอพุทธศาสนาแล้วถ้าเราเข้าใจคำสอนพระเจ้าถ้าเราทำเข้าถึงจริงๆเนี่ยบ้านเมืองจะไม่ทะเลาะ ก, กันแบบนี้เราจะไม่เครียด มัวจะไปเจริญสติฝึกสมุนโจรก็มีสตินะโจรก็มีสมาธินะไม่งั้นเ้าป้นไม่สําเร็จนะเขายิ่งต้องใช้สมาธิสติมากกว่าเราด้วยแต่มันไม่มีศีลมันไม่มีปัญญาเป้าหมายสูงสุดคือปัญญาไม่ใช่สติสมาธิแต่สติสมาธิเป็นเครื่องมือที่สําคัญในมรรคบีองแปดแต่ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดการปฏิบัติธรรมต้องเจริญมรรคผลนิพพาน ไม่ใช่เจริญสติแต่การเจริญมักเราต้องใช้สติใช้สมาธิผู้เจ้าไม่ได้สอนอะไรผิดแต่เนื่องจากไอความคิดแบบแยกส่วนที่เราวิชาเนี่ยมันทําให้เราไปไปแป๊กไปหลงอยู่ตรงนั้นมาใหม่ใช่ไหมไปไปเรียนเอบซกอไข่ขอไข่พรากลัวได้เปรียบแต่เรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่อย่างนั้นถ้าความคิดแบบนั้นมีบางคนเนี่ยครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่ไปแลกเปลี่ยนเพราะกล แนวทางพวกครูเนี่ยมันก้าวกระโดดเนี่ยระวังขึ้นบันไดตกลงมานะพวกครูว่าใช่แล้วพระ อ, อาจารย์ต้องทีละขั้นถูกแล้วแต่อย่าถามว่าปฏิบัติมากี่ปีได้ฌานเท่าไหร่ต้องถามว่าปฏิบัติมากี่ชาติถ้าความคิดแบบนั้นถูกต้องมาใหม่ไปเยียนกอไก่ใหม่เนี่ยนะนางวิสาขาบรรลุโสดาบรรจิตขวบไม่ได้เนนบัณฑิตเจ็ดขวบปวดแค่แปดวันเป็น阿拉หันไม่ได้พาหิยะไม่รู้เรื่องาศาสนาเลยเนี่ยฟังธรรมแค่ไม่ถึงสามมิี พ่อคูออกหนังสือสามชั่วโมงมาเรื่องทำญาติขึรนทเนี่ยเนี่ยคนนี้หาเรื่องเป็นเจ้าภาพไม่เป็นไรพ่อคูยินดีทั้งดอกไม้กับก้อนอิดมาพร้อมกันเลยเหมือนอวดอุตตรีเหมือนมาเป็นไปได้อ้างว่าจะเอาเอาพ่อคูไปเทียบพระพุทธเจ้าบังอาจอย่าบังอาจนะคนละเรื่องนะพระพุทธเจ้ายังต้องใช้หกพันษาเลยอะไรๆเนี่ยอย่าไปเทียบกับพระองค์พระองค์ต้องแตกฉานทุกอย่างพระองค์ต้องมาเป็นเจ้าแห่งพุทธะ ชวนจิตที่บรรลุธรรมในพระอาหารหันต์เจ้าทั้งหลายเนี่ยเหมือนกันหมดคือพ้นทุกข์แต่ไม่บางอาจมีปัญญาเท่ากับพระพุทธองค์พระหิยาเป็นพ่อค้าไม่รู้เรื่องศาสนาเลยฟังธรรมแค่สามนาทีไม่ใช่สามชั่วโมงนะผู้เจ้าตัดว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าริ้มรสสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่ากระทบผัสสะสักแต่ว่าไม่พิจารณาไม่ตัดสินพาะหิยะว่าเออใช่นะ ชีวิตเราทุกภพกคิดทุกเรื่องแค่นี้ก็เป็นอรหันต์แล้วไงเรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องวิชาการมาเรียนทีละขั้นแบบนี้ศาสนาทึ้งงานการไม่ได้ผลครูบาอาจารย์พระภิกษุอุสาบวชเสียสละความสะดวกสบายอยู่แล้วนะท่านลำบากนะตอนนี้ที่ศูนย์กำลังบวชเนนบวชชีพรากูกราบได้เลยนะพกูให้เกียรติหมดเราถือว่าท่าน เสียสละมีตั้งต้นที่ดีส่วนท่านทาได้แค่ไหนเราต้องช่วยกันอุปถากดูแลส่วนบางรูปบางองค์เนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจเจกของบุคคลไม่ใช่ศาสนามันเสื่อมศาสนาเนี่ยทุกศาสนาไม่มีวันเสื่อมทุกศาสนาเนี่ยรรลุทําหมดแหละแต่คนในศาสนายุคนี้ถ้าไม่ระวังเนี่ยเราถูกความคิดแบบทุนนิยมแข่งขันเสรีเนี่ยมันมาครอบงาเราเรามีความรู้ผิดศาสนาไม่ได้ทาอะไรผิด แต่คนในศาสนาผิดก็จัดการเป็นส่วนบุคคลอย่าไปรวมเหมาลรวมศาสนานะเราต้องพระช่วยกันจันโลงไว้แต่จากนี้ไปนี้เป็นครั้งแรกนะพราะคูสองสามปีที่ผ่านมาเห็นความแตกแยกแล้วพราะคูบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยพราะคูไม่ปฏิเสธเพราะครูพุทธพุทธะอยู่ในจิตพราะคูแต่ตอนนี้พราะคูไม่เกี่ยวกับศาสนาพรากูตั้งชมรมไลฟ์ฟิตเนส บางคนเอ้ฟิตเน็ตมันเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยศูนย์เราไปิกรุงเทพคนผ่านรถมาไหนมีเครื่องมือแบบไหนบ้างเราเข้าไปใจว่าฟิตเน็คือไปออกกําลังกายนั่นแหละเราแยกส่วนหนึ่งแล้วเอากายอย่างเดียวแต่ว่าชีวิตฟิตเน็ตเนี่ยชีวิตมันประกอบด้วยกายจิตกอารมณ์สามอย่างกายฟิตจิตเฟิรม์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขนิพานเนี่ยเป็นฟิตเน็ตอย่างยิ่งแต่ไม่ต้องพูดตอนนี้ศูนย์เราเนี่ยมีทุกศาสนาไปปฏิบัติที่กรุงเทพแต่ศูนย์อุบลเนี่ย พุทธพราะคูเป็นพุทธแต่ชาวพุทธส่งเสริมการทําดีได้ไหมไม่ต้องไปขัดแย้งกับศาสนาอื่นได้ไหมใช่เพราะคนไทยเราเนี่ยมีทุกศาสนานะคนไทยเราเป็นอิสลามก็เออยอะแยะเป็นคริสตก็เออยอะแยะเป็นฮินดูก็เยอะแยะทําไมเราต้องทะเลาะ ก, กันเอาละ่ะพูดที่เจ้าเราสอนอย่างนั้นเหรอพ่อพกูไม่เชื่อก็เขาผิดไงก็มันผิดไงเอา้าถ้าไม่มีคนผิดเราจะให้อภัยใครล่ะทานศีลภาวนา การให้อภัยทานก็เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทุกคนแต่ดีดีกว่าเพราะครูหลีกเลี่ยงพราครูจะไม่ต้องขัดแย้งกับใครแต่ชีวิตพ่อครู65สห้ากสิปีเอ้สิเจ็ปีแล้วเรานับถอยหลังกันทุกคนนั่นแหละเหลือเวลาหนึ่งวันพ่อครูก็ทำหน้าที่หนึ่งวันสนองคุณหนึ่งแผ่นดินเกิดสองสนองคุณพระพุทธเจ้าคาสอนพระองค์ทำพ่ครูพ้นทุกข์ เพราะคูมีเรื่องสองเรื่องเท่านั้นเองเพราะคูทำจนวินาทีสุดท้ายเพราะกูแต่การกระทำมันต้องไม่ขัดแยง้งบ้านเมืองก็ปัญหาเยอะแยะเลยอย่าไปสร้างปัญหาใหม่เพราะคูพูดวันนี้นะแลกเปลี่ยนในฐานะเป็นสิทธิว่าเราเป็นชาวพุทธเพราะคูไม่เห็นด้วยต่อสู้เพราะเป็นพุทธศาสนาประจำชาติประจำไม่ประจำมันอยู่ในจิตเราในหลวงพระองค์ก็ประกาศตัวอยู่แล้วเรา เอาพุทธศาสนาไปอยู่ภายใต้กฎหมายทําไมศาสนาต้องอยู่เหนือชาติสถามันการศึกษพอเขาล้มกฎหมายเราก็ถูกล้มด้วยแล้วคุณคิดว่าคุณจะเอาตัวนี้ไปกันศาสนาอื่นคุณกันเขาได้เขาก็กันคุณได้คุณจะออกไปตามประเทศได้ไหมอันนี้ไปเรียนไงเรียนวิชาการเรื่องสิทธิจนลืมหน้าที่ความเป็นพุทธให้เขาเป็นศาสนาประจําชาติโดยสํานึกของผู้คนใครก็ ไม่มีใครล้มใครหรอกศาสาห์อื่นเขไม่คิดจากล้มเราร อ, อย่าไปพูดให้มันแตกแยกเมื่อกี้หมอบัญชาก็ยกตัวอย่างเห็นไหมนาผู้อุศคนหนึ่งไปไหว้พระเขาเนี่ยซึ่งสายคริสตอยู่ยี่ิีบจำไหมเขาก็พ้นทุกได้นะแล้วอย่าไปคิดตัวนิพพานเป็นของเราอย่างเดียวนะไม่ใช่นิพพานมีอยู่คู่โลกคู่จักรวาล เจ้าชายชาติย่อธาตุไปตัดสรู้มาแต่ท่านเน้นเรื่องนี้มากกว่าศาสนาอื่นเขาเน้นมาให้อยู่ร่วมกันอย่างสันตินิพานเป็นของสาลกลพ่อครูนี่แหละคนหนึ่งเนี่ยถูกให้นับถือพุทธแต่ไม่รู้ว่าพุทธเขาสอนโชคดีมากที่พ่อครูไม่รู้เรื่องถ้ารู้เรื่องเรานั่งด้วยมันเกิดอาการเฮ้เฮมันตรงกับคำไหนวะเอ๊ะมันคือว่าอะไรนะเอเออยู่ตรงนั้นแหละแล้วมันจะไปไหนล่ะ บังเอิญสามชั่วโมงนั้นน่ยไม่รู้เรื่องเลยเห็นเห็นเห็น เ, น เ, นเลยว่าเขาให้พักูสามชั่วโมงเห็นข บ, บวนการทํางานของร่างกายเราพรักูเห็นหมดเลยแต่ตอนนั้นมันไม่รู้ภาษาพูดไงว่าเอ๊ะอันนี้เขาเรียกว่าอิจฉนาหกนะอิจฉนาภายนอกอาจฉนะภายนอกหกอันนี้คือวิญญาณหกนะมันหมุนแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตอนนั้นโชคดีมากที่ไม่รู้ภาษาเหล่านี้แต่ยี่สิบปีอยู่นั้นไม่มีผู้คนผู้รู้เนี่ยไปถามถามถา ม, ถามนะ มีพระภิกษุที่เป็นนักการศึกษาก็ไปอยู่กับพระครูปฏิบัติท่านก็แลกเปลี่ยนพระครูโอ้พระครูพูดอย่างนี้ตรงกับตรงนี้ตรงกับตรงนี้พระครูก็เรียนรู้ปริ ย, ยัตกับท่านขอร้องพระครูไปอ่านไปไปอิดก็เพาพระครูผ้าจาย์ไปอ่านทำนั่นเดี๋ยวพระครูไปอ่านมันจะกลายเป็นขยะบางทีเป่งออกมาไม่รู้ความจริงหรือความจําเอาความจริงมาว่ากันดีกว่า ธรรมะคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงการที่เราเอาความจริงมาสนทนากันคือการแสดงธรรมอย่างหนึ่งธรรมะไม่ใช่ภาษาบาลีธรรมะไม่ใช่อยู่ที่อินเดียหรือพวกเขาหิมาลไยเท่านั้นเองธรรมะคือธรรมชาติคือธรรมดาธรรมดาเรายกเราก็หนักเราวางเราก็เบานี่คือธรรมะแต่พุทธศาสนาเนี่ย ส่วนหนึ่งกลายเป็นวิชาพุทธศาสนาเอามาเรียนเอามาสอนกันไม่ใช่ผิดนะถ้าใครจะสอนวิชาพุทธศาสนาต้องไปอ่านพระไตรปิฎกเยอะๆแล้วก็ไปสอนแล้วนี่อย่าไปแปรตอนนั้นมีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งสนิทกันเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเฮ้ย hey, จะไปไหนจะไปเผยแร่ธรรมวะบอกว่าคุณจบแค่ด็อกเตอร์คุณไปเผยแร่ธรรมไม่ได้นะเขางง จดตกเตอร์เผยแร่ธรรมไม่ได้คุณไม่เห็นธรรมคุณไปเผยแร่ธรรมธรรมมันจะเลอะเลือนคุณไปสอนวิชาพุทธศาสนาได้แต่อย่าไปเผยแร่ธรรมตอนนี้มันเลอะเลือนหมดแล้วไงบางทีเอาสวรรค์มาล่อโนโลกมาครูให้เขาไปเห็นกรรมเขาเองได้ไหมเนี่ยเราไม่ต้องเราจันลงาศาสนาโดยไม่ต้องประกาศศาสน า, าขัดแย้งกับาศาสนาอื่น เราจนลงศาสนาโดยประกาศภรมาจารย์ชี้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลกพระผู้รูเจ้าตัดไว้อย่างนั้นพระองค์ไม่เคยสั่งให้สาวกไปจาริประกาศศาสนาแข่งกับศาสนาอื่นเลยพระองค์จะตัดให้สาวกจาริไปประกาศพรมอาจารย์ชี้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลกสัตว์โลกทั้งหมดไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปประกาศศาสนาไม่ใช่ศาสนาแข่งกับเขานะศาสนาเองก็ตั้งก๊กกั้งเรามาแข่งกันเองแย่งชิงมวลชนกันทุกวันนี้เนี่ย ต้องไม่ใช่พ่อครูเวลาพ่อครูก็เหลืออยู่ทํานเสี่ยวเหลือเนี่ยแหละก็ทําหน้าที่พ่อครูไม่หวัง27ปีทําอะไรเนี่ยทำเพราะทําไม่เคยหวังอะไรเลยถ้าเราหวังเราจะผิดหวังเราให้คนนี้เออมันดีขึ้นอนุโมทนาสาธุให้คนนี้มันไม่ดีขึ้นก็เป็นกรรมของมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ถ้าเราหวังปุ๊บเราจะผิดหวังการทําทานเนี่ย ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือศูญญาตาทานทานซึ่งไม่มีผู้รับไ ม, ไม่มีผู้ให้ทานคือจาคะคือสลัดออกทำบุญทำทานบุญเกิดจากการให้ทานคือสลัดความโลภความตณีออกบุญคือเบาบาปขึ้นหนักสัตวไปได้บุญแล้วจบเหมือนเราโยนเงินลงไปในน้ำมันดังตุง้มบรรลุบุญแล้วเฮ้ยเงินฉันไปไห น, นไปมุดดูเลยนะนเนี่ยทรมานสังขารเนี่ย นี่คือทำบุญตามบุญมันไม่ใช่บุญมันเป็นแค่กิริยาในการทำบุญแต่จิตไม่เป็นกุศลเลยทำแล้วต้องให้มันได้สิไม่ใช่ไปสะสมบุญนะเขาหลอกเราไปทำบุญทาบุญจดไว้จดไว้วันที่จะตายนั่นต้องคิดถึงมันนะพรากคูไม่เชื่อผู้ทธเจ้าสอนอย่างนั้นอันนี้ทำบุญตามบุญนะอันนี้ทำบุญเพื่อสร้างอนาคตนะสาธุให้ชาติหน้าสวยๆกัวเก่ารวยๆกัวเก่า เราทำบุญเพื่อไม่มีอนาคตโดยเฉพาะจากคืนนี้เป็นต้นไปถ้าทุกคนมีส่วนร่วมคืนนี้จะไปเข้าคอร์สที่โน่นนะอันนี้พ่อครูก็ไม่รู้นะวันที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดไม่ห้าคืนเนี่ยนะพ่อครูขอบอกล่วงหน้าถ้าใครไม่ยังไม่พร้อมก็ไม่ต้องไปปฏิบัติกับพ่อครูอีกห้าวัน ปฏิบัติแล้วเนี่ยวิชาแรกที่เราจะสําเร็จเนี่ยเราจะเป็นคนเพี้ยนในสายตาเพื่อนฝูงถ้าไม่พร้อมที่จะทําทอย่าไปให้ไปว่าให้ไปกินเหล้าไปตอนนั้นไปล้วตอนนี้ให้กูไม่ไปหรอกเราจะเพี้ยนในสายตาเขานะถ้าปฏิบัติแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมีความนั่งสงบสงบออกมาก็วีนเหมือนเก่าเนี่ยอย่าปฏิบัติให้เสียเวลา แล้วปฏิบัติปฏิบัติมาเนี่ยเราจะบรรลุวิชาที่สองก็คือว่าเราจะเป็นคนสิ้นคิดกลัวไหมเราจะเป็นคนสิ้นคิดใกล้ะจะซื้อบือ้อถ้ายังไม่พร้อมไม่ต้องปฏิบัติแล้วทำไปเรื่อยๆถ้าไม่หยุดเนี่ยเราจะบรรลุวิชาที่สามเนี่ยเราจะเป็นคนไม่มีอนาคตเราจะอยู่ปัจจุบันตลอด อย่างเด็กๆคนหนึ่งทําการบ้านอยู่วาดรูปอยู่นะเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบอนาคตมากเขาเป็นเด็กดีเขาก็วาดห้สเซตเขาก็เอาห้าอร์ซไปคิดว่าวาดแล้วฉันจะไปทำโน่นทํานี่ทำ น, นี่มันเป็นห่วงอนาคตมันก็วาดถูกวาดผิดพรุ่งนี้สีมันแห้งมันก็ได้ห้าสิบอร์ซแต่ถ้ามันไม่มีอนาคตมันอยู่ปัจจุบันภาษาอเกฤษมันโทโทอรี่ มันวาดร้อยเลยมีความสุขกับการวาดสมาธิตั้งมัน่นร้อยเมื่อสมาธิมีกำลังตั้งมัน่นสติก็ตื่นรู้วาดเนี่ยสวยงามมากพรุ่งนี้สีมันแห้งพรุ่งนี้คืออนาคตวันนี้มันก็ได้ร้อยอร์ซนั่นแหละเราจะเป็นคนไม่มีอนาคตและอันที่สีเนี่ยน่ากลัวมากต้องคิดดีๆนะถ้าทุกคนไม่เลิกเนี่ยปฏิบัติต่อไปเนี่ยวิชาที่สี่เนี่ย เราจะไม่มีวันผุดวันเกิดกลัวไหมถ้าไม่กลัวก็ออกลบกันตั้งแต่คืนนี้ยี่บเจ็ดปีพ่อกูจะโน่นนะ่ะเปลี่ยนเราปฏิบัติเสียเวลาต้องเปลี่ยนพฤติกรรมสิไม่ใช่เอาศีลไปกดมันไว้เฉยๆนะไปกดมันไว้เอาสมาธิกดมันไว้เข้าไปสู่ในชาน สุขในฌานสงบสงบพอออกมาก็วีนอีกเพราะไอ้เชื้อไวรัสที่ทําให้เราไม่สงบมันก็ยังอยู่ที่คําสอนที่พระองค์บอกว่าทําดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสทําดีก็คือทานวัตถุทานธรรมทานอภัยทานนี่คือการทําดีละชั่วก็คือศีลศีลนี่เป็นตัวเตือนสติว่าอย่าไปทําชั่วอย่าไปสร้างกรรมใหม่ ถ้าถ้าคนยังไม่มีศีลปกติก็ต้องอาศัยศีลตัวนั้นก่อนเป็นตัวเตือนสติทําได้บ้างไม่ทําไม่ได้บ้างนะการขัดเก่าจิตให้ผ่องใสคือการเจริญภาวนาขัดกระจุ๋มใสอันนี้เราไปฝึกสมาธิเพิ่มสมาธิเพิม ส, มเพสติแต่ไปกดของเก่าไว้มันจะผ่องใสได้ยังไงเราต้องเอามันออกเอาต้นเหตุที่ทําให้เราไม่สงบออกมา ไม่ใช่เอาสมาธิไปกดให้มันสงบนี่คือขัดเกาจิตให้ผ่องใสสามอย่างนี้มีในห้าวันที่เราจะไปเจอทุกคนถ้าตั้งใจทำนะเข้าไปในจิตได้หมดมันไม่ใช่เรื่องวิเศษวิสโสถ้าเราไม่มีบุญมากๆเราไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่เราไม่ได้เกิดในร่างมนุษย์ทรพเพศเมื่อเจอคาสอนที่สุดยิ่งใหญ่ แล้วก็ไม่ได้มาเจอกันที่นี่เรามีแน่นอนแต่อย่าประมาทนะฝ่ายลบเราก็มีเช่นเดียวกันถ้าไม่มีกรรมไม่ดีเราก็ไม่ได้มาเกิดอีกเหมือนกันเห็นไหมวันแรกออกมาปุ๊บ ก, ก็แหกปากร้องแล้วแว่แว่แว่ทาไมเด็กมันเกิดมามันไม่หัวเราะดีใจจังเลยชั้นอิสราแล้วมันร้องไห้ทําไมเอ้าทําไมล่ะอยู่ในท้องแม่อึดอัดไม่อิสราออกมามันก็แฮ่ ดีใจสิมันร้องไห้ทําไมสัญชาตญาณญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอดีตชาติเขาจําได้หมายรู้ว่าเกิดทีไร ท, ทุกทุกทีจากนี้ไปฉันทุกแล้วนั่นคือทุกเพราะเกิดเพราะเขาจําได้หมายรู้อยู่ในท้องคุณแม่อบอุ่นไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่ต้องทํามาหากินนี่คือสัญชาตญาณมนุษย์เรามีตรงนี้อยู่แล้วแต่มันหายไปไหนทําไมปาน้ํำจืดมัรู้ว่าทวนกระแส ทำไมมันไม่มักง่ายเหมือนมนุษย์เนี่ยตามกระแสไม่ต้องออกกำลังเลยสบายสบายทำไมมันรู้ว่าออกไปทะเลมันตายหมดเพราะมันมีสัญชาตญาณญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในดีตชาติมันจำได้หมายรู้เพราะจิตมันยังบริสุทธิ์แต่ตอนนี้จิตเรามาถูกใส่ความรู้ผิดเข้าไปตั้งแต่ถูกจ้างชื่อแล้วอันนี้ดีนะนั่นดีนะนี่ชนะนะนี่นะเนี่ยนะ ไอ้ความรู้ที่มันแฝงด้วยโลภโกรธหลงเนี่นแหละมันปบเกินสัญชาตญาณเราพราะคูมาอเมริกาใหม่ๆแล้วไปอยู่นั่นนะเออไปดูโรงเรียนในหมู่บ้านจนหมดเออดีให้ลูกเราเป็นคนจนกับเขาน้องคีเนี่ยเกิดปีกระต่ายบังเอิญพาลงโรงเรียนเขาเลี้ยงกระต่ายป่าเนี่ย น, นะอยู่ในกรงเหล็กออกลูกมาเขาก็ เอาให้น้องขีมาคู่หนึ่งตัวผู้ตัวเมียขีมาทำไมลูกนะถ้าเราจะเลี้ยงลกขังมันอย่างนั้นไม่ได้นะมันทรมานสัตว์เนี่ยเราก็เลยเอาตะแกรงเรียกนี่ล้อมหนึ่งไล่ให้กระต่ายสองตัวอยู่ไม่ต้องให้อาหารมันเลยนะมันก็กินอาา่กนากินหญ้ากินอะไรอะไรพอผ่านไปหกเจ็ดเดือนมันสนิทกับพวอครูมากผิวปากพวกมันวิ่งมาหาเราเลยวันนั้นน่ะไอ้กระต่าย สาวตัวนั้นนะ่ะขนมันหลุดเป็นหย่มหยอมเอ๊ะตัวผู้กัดมันหรือเปล่าแต่มันไม่มีแผลเนาะสักพักนึงมันหายไปสองวันเหลือดแต่ตัวผู้พอกกูก็เอาเวชฉายไปส่องสองมันขุดลูเยอะแยะเลยตอนนั้นเป็นหน้าฝนพอดีมัน เ, เลือกลูที่อยู่ในใต้ชายคาที่หลบฝนเนี่ยนะส่องเข้าไปเนี่ยมันดึงขนมันไปปูให้ลูกมันนอนออกลูกมาเจ็ดตัว แล้วก็เลี้ยงลูกมันมเนสัพันวิ่งออกมามันกินหาก็เข้าไปอีกนะสัพักนูลูกมันตัวก็วิ่งออกมาเพราะคูตั้งโจทย์ถามนักวิชาการคนหนึ่งถามว่ากระต่ายสาวท้องแรกเนี่ยมันไม่ได้ไปหาคุณหมอมันรู้ได้ยังไงมันตั้งท้องเอาล่ะแม่มันคลอดอยู่ในกรงเหล็กไงเขาปูผ้าปูให้มันนอนมันก็จําได้ว่ามันกินนมแม่มันไอเดียมันจําได้ว่ามันก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงนมโดยเลี้ยงนมลูกมันมันรู้ได้ยังไงต้องไปขุดรู มันรู้ได้ยังไงว่าดึงขนมันต้องปูให้ลูกมันนอนนี่คือสัญชาตญาณมันจำได้หมายรู้แต่ตอนนี้ตอนนี้มีเด็กสาวคนหนึ่งหลายปีก่อนเพราะครูดูหนังสือพิมพ์กรุงเทพนะนะลงหน้าหนึ่งเลยคลอดลูกที่อุงเทพไปทิ้งที่สะพานลอยทีนี้เขาก็สืบจับแม่ได้เคยได้ยินไหมทิ้งลูกที่สะพานลอยทีนี้ไอเด็กมันนอกตอนนั้นพราครูสอนกศนอตอนมัธยมนะ พวกกูถานเด็กๆที่บ้านเลี้ยงไก่ไหมเลี้ยงครับเลี้ยงค่ะไก่มันออกลูกหรือมันออกไข่มันออกไข่ค่ะออกทีเราฟองหลายฟองค่ะเออทํายังไงถ้าเกิดเรามีชะลอมที่สูงมันจะเลือกที่สูงนะมันจะป้องกันเนยสัตว์อื่นไปรบกวนมันแล้วที่มันมันออกไข่แล้วทําไงมันไปฟักค่ะมันออกเป็นลูกแล้วมันทํำยังไงมันเอาลูกมันไปทํามาหากินค่ะก็ถามเด็กๆว่าเคยเห็นแม่ไก่วางแผนเอาลูกไปทิ้งสะพานลอยไหม มันบอกว่าไม่ค่ะเพราะอะไรเพราะมันมีคุณธรรมคุณธรรมไม่ต้องเรียนไม่ต้องสอนตอนนี้มีวิชาจริยธรรมลรงเรียนพ่อครูมีครูอวุโสวันนั้นประชุมกันพ่อครูขอห้องพิเศษหน่อยเอาไปทำรายเป็นห้องจริยธรรมไปสอนอะไรสอนจริยาสอนยังไงสอนให้มีมารยาทไหว้ท่านนั้นไหว้ท่านี้นนพ่อครูบอกว่าเนี่ยคุณเป็นครูได้ยังไง จริยธรรมไม่ใช่วิชาสอนเป็นจริยวั ต, ต้องทำตามปกติจากนี้ไปเนี่ยครูต้องยืนอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยวหายเด็กกรตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคาสอนวัฒนธรรมไทยเราต้องทำเป็นปกติไม่ใช่ทำลายมันหมดค่อยมาสอนเนี่ยเสียดายไหมสิ่งดีๆเราสูญหายไปหมดเลยไปเหอฝรั่งฝรั่งไม่ใช่ไม่ดีเพราะครูมีเพื่อนอเมริกันเนี่ยรักพวกครูมากชินเสียมากนะ พอพวกครูย้ายมาอยู่ในป่านั้นน่ะเขาชื่อไมโครเขาชอบไปกินร้านอาหารประครูมันเป็นโลกเบื่อสังคมเหมือนปะครูล่ละแต่เขารวยมากเขาซื้อบ้านอยู่ข้างริมทะเลหลายประเทศแล้วมันอยู่ในเรือยอดเป็นส่วนใหญ่เขาเอาเรือยอดเขามาเนี่ยที่ภูเก็ตแล้วก็นั่งเครื่องมาเยี่ยมพวกครูที่อุบล มันเห็นริมเขื่อมันชอบน้ําแต่ว่าไม่ไม่ใช่ทะเลมันอยู่ไม่ได้แล้วเขาไปซื้อบ้านอยู่ที่ภูเก็ตหลังหนึ่งอยู่ไม่ถึงสองเดือนเขาก็บนกับน้องชายพราะครูบอกว่าข้างบ้านมันไม่ดีเขาก็ไปซื้ออีกหลังหนึ่งอยู่บนหลังเขาบังเอิญไอ้นี่มันโชคลายนาะมันไม่ไปสํานวจดีๆพอเยื้องมาหน่อยมันมีฟาร์มหมูอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็บอกไม่ดีอีกน้องชายพราครูมารายงานพราครูบอก วัดไปบอกไมเคิลนะอีกหน่อยเขาไปอยู่ในป่าคนเดียวเขาจะหาเรื่องว่ลลิงมองหน้ามัน <c oughs> แก่ที่ตัวเองอัตหีอัตโนนาถูเป็นเพราะเธอด่าฉัน่ะฉันตึงทุกเธออย่าด่าฉันได้ไหม <c oughs> เขามีปากเขาก็ดา่าเรามีหูเราก็ได้ยินเรามีสิทธิ์ไม่ต้องเอามาคิดให้เราทุกข์ได้ไหมเราโง่เองนะ่ะชอบโทษคนนั้นคนนี้ หลายปีก่อนมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อเอเป็นโรคที่หมอบัญชาบอก SLE โรคพุ่งพวงดวงจันทร์คุณหมอรักษาจนสุดความสามารถแล้วผมล่วงหมดไม่ใช่หมอบัญชาเรานะหน้านี่เกียมหมดเลยยังกับไม้เสียบผีนะไม่ใช่กลางคืนนะกลางวันเดินมาเด็กมันวิ่งเลยหมอบอกว่าอีกสองเดือน พุ่มพวงจะเอาปเป็นหางเครื่องทีนี้บุญของมันไงเขาแนี้ยนำไปในศูนย์อยู่กับพระครูสามเดือนเพราะแนวเราไม่ใช่สมาธิเป็นนั่งนิ่งๆเนี่ยนิ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวทุกๆอริยบทชีวิตเรามันนิ่งไม่ได้ตอนเราฝึกเรานิ่งๆก็นิ่งแต่ตอนเราเคลื่อนไหวเราก็ไม่นิ่งสิมันไม่ชํานาญเราต้องฝึกแล้วเอามาใช้เลยเสียงดังก็ต้องสงบ งเงียก็ต้องสงบเคลื่อนไหวก็ต้องสงบอยู่เฉยเฉยก็ต้องสง บ, งสงบไม่ใช่ฝึกสมาธินิ่งๆแต่พอชีวิตเราเคลื่อนไหวมันก็เลยไม่ทันไงยิ่งตอนนี้กิเลสมันขี่จรวดนะเรามมจะตุ้มๆเติมๆเนี่ยมันไม่ทันยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเรามีศึกสงครามอันนี้ยกตัวอย่างกับเพื่อนบ้านที่เคยลบกันเนี่ยเราสามารถขี่คอช้างถือเหยวถืองาฟันดาบไปสู้กับเขาได้ไหมยุคสมัยมันเปลี่ยน พระพุทธองค์บอกว่าต้องรู้เท่าทันเหตุปัจจัยที่มันเปลี่ยนไม่ใช่ทำตามใจอนุรักษ์ของเก่าจดนั้นแหละเมื่อเราตายแล้วเนี่ยลูกหลานเรามันไม่เอาเนี่ยศาสนาสูงพั น, นแต่หลักการของธรรมะนั่นของคำสอนพรเจ้าอีกกี่ล้านปีใครก็เปลี่ยนไม่ได้อย่าบางอาจจะไปคิดเปลี่ยนส่วนเทคนิคอุบายวิธีในการนาเสนอต้องทันสมัยให้มันเกิดผลจริง ไม่ใช่มาเกิดมารักษารู่แบบตรงนั้นน่ะอนุรักษ์ของเก่าเรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่อย่างนั้นแต่วัฒนธรรมประเพณีหรือว่าวัดบาล า, าเราต้องดูแลรักษาไว้น่ะมันเป็นตัวยึดเจี่ยวนจิตใจเรานะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเอนี่ปฏิบัติสามเดือนนี่สวยกว่าเก่าเลือดลมมันวิ่งผมออกมาเนี่สวยกว่าเก่าเพราะเลือดลมมันวิ่งมันเป็นคนสวยมากแต่เขาแต่งงานแล้วเขาไม่มีลูก ไปใช้ชีวิตอีกเก้าปีแฟนมันก็ฉลาดมันรู้ว่าการที่มีชู้เนี่ยมันจะผิดศีลมีชู้สู่สาวใช่ไหมมันก็เลยไปมีกิกมันไปมีกิกมันไม่มีชู้ไงมันก็เลยไม่ผิดศีน่ะเอรู้เลยว่าตอนนี้มันก็ไปกินเหล้าไงอาการมันก็กำเริบมันรู้เลยว่าต้องไปไหนตอนนี้ก็มาอยู่อีกสี่เดือนแล้วเลือกชาได้ยี่สิบข้อชาลูเลยวว่าสาเหตุต้นเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไร มันไปจ่ายหนี้กรรมทางจิตเขาก็ฟื้นขึ้นมาอีกจากวันนั้นถึงวันนี้เกือบ2ี่สปีเขายังใช้ชีวิตอยู่พุ่มพวงดวงจันทร์เสียชีวิตเพราะมีเงินรักษาแต่เจ้าเอเนี่ยมันฟื้นเพราะมันไม่มีเงินรักษามันพึ่งตนเองอัตตหิอัตโนนาโถไม่มีแม้แต่หนึ่งโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่เกี่ยวกับผลของกรรม บี้หมัดหมาปวดหัวหักขาย้ายเป็นอำมาภัสอยู่ที่ว่าจะส่งผลเมื่อไหร่มีสตรีท่านหนึ่งขับรถไปยางระเบิดชายชกันห้าคนขับรถมาแก้ปัญหาให้อีกท่านหนึ่งเนี่ยแต่คนละวันเวลาเดียวกันที่เดียวกันขับรถมายางระเบิดชายชกันห้าคนอีกอีกกลุ่มหนึ่งมาเจอปุ๊บแทนที่จะช่วยฆ่าข่มขืนอุบัติเหตุทั้งสองอย่างนี้ถามว่าทําไมคนนี้รอด ทำไมคนนี้ตายเราเข้าใจว่าบาังเอิญไอ้นี่มาช่วยบังเอิญมันมาฆ่าไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างบังเอิญอุบัติเหตุแปลว่าอุบัติขึ้นตามเหตุที่เคยสร้างมาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดเหตุดับผลจึงกับเรามาปฏิบัติเข้าไปในจิตเพื่อจะดับเหตุทั้งหมดไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้า แต่จากนี้ไปพวกครูจะไม่ค่อยเอ่ยถึงหลีกเลี่ยง ก, การขัดแยง้งเปิดโอกาสให้มนุษยชาติทุกคนมีโอกาสถ้าทุกคนปฏิบัติเข้าจิตเกิดจิตสำนึกแล้วนี่เราจะเลิกทะเลาะ ก, กันสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็เมื่อกี้เขาส่งสัญญาณเตือนนะพ่อครูก็เหมือนกันขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าเนี่ย นะมาให้พ่อครูมีโอกาสได้ให้ธรรมทานนะพ่อครูได้บุญเยอะเลยวันนี้นะก็ให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทิณ